บางท่านก็มาตามเวลาคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์พอมีเวลาว่างจากภารกิจจากนานก็จะมาทำบุญเป็นปกติทุกเสาร์หรือทุกอาทิตย์ส่วนวันนี้ก็อาจจะมีบางท่านที่มาในกรณีพิเศษเนื่องจากมีการ บรรพชาอุปสมบทบุตรหลานก็เลยได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกันตอนเช้าก็มาร่รม่ันทำบุญสายบ่ายเดี๋ยวตอนบ่ายก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญแก่พระที่บวชใหม่การบวชในพระพุทธศาสนานี้เป็นกิจกรรม ที่สำคัญที่สุดในบรรดากิจกรรมต่างๆเพราะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิน้นจับใดที่ยังมีการดวดมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพาน ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่ไปกับโลกไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ตราบใดที่ไม่มีการบวชไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพานเวลานั้นก็เป็นเวลาอัฟสารเวลาสิ้นสุดของพระพุทธศาสนา ดังนั้นผู้ที่มาบวชยึงถือว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ได้ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ตนและประโยชน์ของท่านคือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปการบวชจึงเป็นภารกิจที่สำคัญและมีการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล ในสมัยพระพุทธกาลนี้ส่วนมากผู้บวชมักจะบวชแล้วไม่สึกกันเพราะบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็นำเอาธรรมที่ได้บรรลุนั้นมาเผยแผ่ ให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าจะคุยกันก็ขอความโกรนาออกไปคุยทั้งนอกนะตอนนี้เราไม่ทํองการคุยกันตอนนี้เราต้องการฟังกันอย่างเดียวถ้าอยากจะคุยกันก็ไม่ห้ามแต่ขอให้ย้ายสถานที่ไปคุยที่ข้างนอกเพราะจะได้ไม่รบ ก, กวนผู้ที่เขาพยายามที่จะฟัง เพราะเวลาฟังนี้ถ้ามีเสียงรบกวนก็จะเสียสมาธิแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องประโยชน์สุขที่จะได้รับจากการฟังก็ไม่ได้ผู้ที่พูดที่คุยนั้นก็เลยทำบาปไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไปทำลายสมาธิของผู้ที่เขามีความตั้งใจ ที่จะฟังเทศฟังธรรมกันการฟังธรรมจึงไม่ค่อยได้ผลไม่ได้บรรลุธรรมกันเท่าไรเพราะผู้ฟังไม่ได้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สมองคือไม่ได้ฟังด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสตินั่นเองแต่ในสมัยพระพุทธกาลนี้การฟังธรรมนี้จะมีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบใจที่จดจอ่อใจที่พิจารณาไข้ควรตามธรรมที่ได้แิสดงไว้จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่มีผู้บรรลุมผลนิพพานในขณะที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากเพราะนี่คือเคล็ดลับของการฟังธรรมนั่นเอง ต้องฟังด้วยศีลคือกายวาจาที่สงบต้องฟังด้วยสมาธิคือใจที่สงบไม่ส่งไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สนทนาไม่คุยกันไม่ทํากิจกรรมอื่นๆนอกจากการฟังเพียงอย่างเดียวในสมัยพระพุทธการจึงมีผู้บรรลุมังผลนิพพานกันเป็นจํานวนมากเพราะฟังด้วยความตั้งใจ และบวช ด, ด้วยความตั้งใจบวชแบบไม่สึกกันต่างกับสมัยนี้ที่บวชกันส่วนใหญ่จะบวชแล้วสึกกันบวชเป็นธรรมเนียมบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาเท่านั้นแต่ไม่ได้บวชเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนผิพพานกัน าศาสนาจึงเสื่อมลงไปตามลําดับบุคคลที่จะเข้าวัดกันก็มีจํานวนน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะขาดผู้ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีนําพาให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองเพราะบวชแล้วสึกกันผู้ที่บวชแล้วไม่สึกนี้ทุกวันนี้มีจํานวนน้อย แล้วยิ่งเฉพาะที่บวชแล้วบรรลุมรกผลนิพพานยิ่งมีจํานวนน้อยมากยิ่งขึ้นไปอีกถึงทำให้กําลังของพระศาสนาที่จะดึงดูดสาธุชนให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมให้ฟังเทศฟังธรรมให้บวชกันยึงมีจํานวนน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าคงจะอยู่ไม่เกิน 5,000 ปีเป็นอย่างมากตอนนี้เราก็ผ่านเกินพุทธกาลคือผ่านครึ่งหนึ่งของ 5,000 ปีมาคือ 2,554 ปีมาการบวชการปฏิบัติการฟังธรรมจึงต่างจาก ในสมัยทศกัณฐ์กันเป็นอย่างมากผลจึงไม่ค่อยปรากฏผ ล, กผลนี่คือมรรคผลนิพพานผลคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงไม่ค่อยปรากฏกันเพราะผู้ที่เข้าวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตหรือครหัดไม่ได้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัตินั่นเองเข้ามาเพื่อ ทำตามธรรมเนียมทาประเพณีส่วนใหญ่ก็จะให้ทานนำกับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวานมาถวายพระแล้วก็รอให้พระอนุโมทนากรวดน้ำแล้วก็กลับบ้านกันเรื่องการสมาทานสินีน้ก็มีน้อยมากเรื่องการตั้งใจฟังธรรมก็มีน้อย แล้วยิ่งการปฏิบัติหรือการบวชยิ่งมีน้อยขึ้นไปใหญ่เพราะจิตใจนั้นถูกอำนาจของโมหะความหลงดึงให้ไปหลงอยู่กับลาบยศสรรเสริมสุขซึ่งกำลังมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากสมัยนี้สามารถหาเงินหาทองกันได้เป็นหมื่นล้านแสนล้าน ต่างกับสมัยก่อนที่ไม่มีความเจริญในทางราบยศเสริญสุดคนส่วนใหญ่จะไม่ได้มีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านจึงไม่มีสิ่งที่มาล่อใจจึงมีเวลาเข้าวัดเข้าวัดเพื่อฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมและเพื่อบรรลุ นในสมัยก่อนในเมืองไทยเวลาบวชก็ยังบวชกันอย่างน้อยก็หนึ่งพรรษาคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8หรือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจะข้างถึงวันเพ็ญเดือน12คือหลังจากออกพรรษาแล้วก็รอรับกระถินก่อน แล้วถึงค่อยศิกขาลาศิกขาไปงานในสมัยปัจจุบันนี้ <c oughs> การบวชในภรษานี้ <c oughs> ก็จะมีน้อยมากกว่าเมื่อก่อนแล้วก็จะบวชการเพียงเดือนหนึ่งบ้าง15วันบ้าง7วันบ้างหรือบวชเช้าสุกเย็ยนบ้างบวชแบบนี้บวชไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากได้การโคนศรีรษะ ผมผ้าเหลืองเท่านั้นเองแต่ตัวบุญจริงๆนั้นมันไม่เกิดเพราะมันจะเกิดจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุธรรมเท่านั้นถ้าเป็นการซักผ้าเพื่อเหมือนเอาผ้าเข้าไปแช่ยังน้ำยังไม่ทันเปียกก็เอาขึ้นมาบิดขึ้นมาตากแล้วซักผ้าแบบนั้นผ้ามันไม่สะอาด ใจของเราก็เช่นเช่นเดียวกันใจของเราก็เป็นผ้าที่สปกปรกสิ่งที่ทำให้ใจของเราสกปรกก็คือกิเลสตัณหาต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเรามีความว้าวุ่นขุ่นโม่ มีความทุกมีความไม่สบายอกไม่สบายใจทั้งๆ ท, ที่มีเงินทองมากมายมีตำแหน่งสูงมีบริษัทมีบริวารมีรูปเสียงกลิ่นรสโพดภพชชนิดต่างๆมาบารุงบาเรอแต่ใจกับหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบยาขมเครือบน้ำตางเป็นความสุขที่ ที่เคลือบความทุกข์พอเราได้เสพสัมผัสก็จะได้ความสุขแต่พอผ่านไปแล้วความสุขที่ได้เสพสัมผัสจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะจางหายไปเหลือแต่ความคิ้วความอยากความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ความส้อยเศร้าเหงาหงอยความเบื่อหน่ายที่จะทำให้ต้องไปหาราบลดสละเสิญและสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นไม่ว่าจะได้เงินทองมามากเพียงรอรก็ตามความอิ่มความพอจากการที่ได้รับเงินทองนั้นจะไม่มีปรากฏขึ้นในใจเลยจะมีแต่ความอยาก ที่จะได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยทำให้ลืมถึงชีวิตของตนว่าเวลาที่จะมีอายุอยู่ในโลกนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่นานชีวิตนี้ก็จะต้องจบสิ้นลงไปส่วนเงินทองที่หามาได้แทบเกินแทบตายเมื่อตายไปแล้ว ก็กลายเป็นของผู้อื่นไปไม่เคยคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้พรอะมัวแต่คิดถึงเรื่องการหาเงินมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆยจึงไม่มีเวลาคิดถึงความจริงของชีวิตของตนว่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ก็เลยคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดพอเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาไปหาแพทย์แพทย์บอกว่ามีเวลาเหลือไม่มากก็จะตกใจจะไม่สามารถที่จะอยู่อย่างปกติสุดได้เพราะไม่ได้เคยเตรียมตัวเตรียมใจไม่เคยคิดถึงเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของตนนั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆเพราะถ้ามีปัญญาแล้วใจของเราจะมียาที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของเราเสื่อมโทรมไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ตกใจไม่ให้หมดกำลังใจไม่ให้ท้อแท้เบื่อหน่าย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 ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องมีการพัดพราจากของรักของชอบไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้นี่คือปัญญาอาวุธหรือยาที่จะคุ้มครองรักษาไม่ให้ใจใจของเราตกต่ำไม่ให้จิตใจของเราทุกว้าวุ่นขุ่นวมกับเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นพ็เหมือนกับได้ฉีดวัคซีนเวลาร่างกายได้รับการฉีดวัคซีนร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่เราฉีดป้องกันไว้เวลาเกิดโรคระบาดร่างกายเราก็จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้าไปทําลายร่างกายของเราได้ ปัญญานี้ก็เป็นเหมือนวัคซีนของใจที่จะป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นติดโรคภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดจากการพัดผาจากขังของรักของชอบเวลาเกิดขึ้นใจจะไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับเวลาที่มีโรคระบาดร่างกายนี้จะไม่ติดโรคจะไม่เป็นโรค นี่คือธรรมะอรคโสที่สำคัญที่พวกเราควรที่จะรีบเอาเข้ามาสู่ใจเหมือนรีบไปฉีดวัคซีนถ้าไม่อยากจะเป็นไข้หวัดนกถ้าไม่อยากจะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้ถึงตายได้เราต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกันถ้าเราไม่อยากจะทุก์ กับความแก่กับความเจ็บกับความตายกับการพลาดพาดจากสิ่งต่างๆเราก็ต้องฉีดวัคซีนนี้วิธีที่ฉีดวัคซีนนี้ก็คือให้ระลึกอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรยืนเดินนั่มนอนทำงานทำการทำธุรกิจต่างๆ ถ้าเราไม่มีความคิดไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราทําอยู่ก็ให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะไม่หวั่นไหวใจจะเตรียมรับกับความแก่ความเจ็บความตายและใจจะรู้ว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่ใจใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายเพราะหลังจากที่พิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่พิจารณาผู้ที่พิจารากับสิ่งที่ถูกพิจารณานั้นเป็นคนละส่วนกันนี่คือการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภูมิุมกันความทุกข์ความหวาดกลัวความวิตกกังวลความเศร้าโศกง่อยเหงาความท้อแท้เบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายหรือต้องพัดภากจากสิ่งและบุคคลที่เรารักเราชอบไปคนที่ไม่มีปัญญา ไม่มีผิกุมกันนี้เวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปนี้จะบางครั้งคิดสั้นถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะถูกกำนาของความหลงความหลงสร้างความคิดว่าชีวิตนี้หมดหมดความหมายแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกันทั้งทั้งที่ลืมคิดไปว่า ก็ตอนที่เกิดมานั้นมีอะไรมาบ้างทําไมอยู่มาได้ตอนเป็นเด็กมีสมบัติเข้าของเงินทองรูปแบบอยู่กับพ่อกับแม่ก็อยู่มาได้มีความสุขได้ตอนนี้พอสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปยังไม่ได้สูญเสียไปทั้งหมดทําไมจะต้องคิดค่าตัวตายทําไมจะต้องคิดท้อแท้เบื่หน่ายต่อชีวิต นี่เป็นผลที่เกิดจากกิเลสตัณหาเวลาที่ไม่ได้อะไรดังใจหรือศสีอะไรไปก็จะผ่านจะคิดไปแบบไร้เหตุไร้ผลแต่ถ้ามีปัญญามีภูมิกุ้มกันเวลาสูญเสียอะไรไปนี้จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เลย เหมือนกับเรารู้ว่าจะเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนเราก็เตรียมตัวรับกับมันมีข้าวของอะไรที่จะต้องขนหนีน้ำก็ขนขึ้นไปไว้ในที่สูงเตรียมอาหารเตรียมสเสบียงเตรียมอะไรต่างๆไว้รอรับพอน้ำท่วมบ้านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรามีเราสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างปกตินั่นเอง นี่คือเรื่องของศาสนาที่มีไว้เพื่อเป็นที่พึ่งแก่จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ศึกษาพราะธรรมคำสอน <c oughs> เช่นที่สอนให้เราเระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตาย ถึงการพลาดพลาดจากกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมารับรองได้ว่าเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าไปตีโพยตีพายก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไปทุกข์ไปเศร้าหมองก็ไม่ได้ไปทำให้ความแก่ความเจ็บความตายนั้นหายไปไปไปทำอะไรก็ไม่ได้ ก็ต้องทำใจอย่างเดียวทำใจให้เฉยเหมือนกับที่เรารู้ว่าน้าต้องท่วมบ้านทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันท่วมไปแต่เราไม่ต้องไปท่วมไปกับน้ำเรามีที่หลบไภัยได้เราไปหาที่อยู่ที่อื่นได้ใจของเราไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายกับร่างกายได้ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้จะต้องจากเราไปสักวันหนึ่ง เราก็ปล่อยวางเท่านั้นเองเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้วใจของเราจะไม่ทุกเลยเพราะความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากความแก่จากความเจ็บความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายท่างหา ความอยากเหล่านี้แหละเป็นสมุดไทยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจสีเป็นทุกเป็นสมุดไทยสัจจะเป็นสัจจะข้อที่สองทุกสมุดไทยนิโรธมัตตนี่คืออริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ทรงรู้ว่าความทุกข์ของใจทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆภายนอกเลย แต่เกิดจากความอยากของใจเท่านั้นและทุกนี้จะดับได้คื อ, อนิโรธคือความดับทุกนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจละความอยากต่างๆได้และสิ่งที่จะสอนที่จะช่วยให้ใจละความอยากได้ก็คือธรรมะคือมัจ ก, ก็คือปัญญานี้เองปัญญาที่สอนให้เรา รู้ความจริงของชีวิตเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเป็นอะไรกันหน้าถ้าเราเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีมัชคืออาวุธที่จะไปละตัณหาความอยากเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะมัชหรือธรรมะจะสอนเราว่า เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นอกจากผู้ที่ไม่มาเกิดเท่านั้นถึงจะหลีกเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายก็อย่า ก, กลับมาเกิดและวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆภายในใจให้ได้หมดนั่นเอง เช่นที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หยุดมาแล้วท่านได้หยุดความอยากต่างๆที่มีในใจของท่านจนหมดสิน้นไม่มีความอยากได้อะไรเหลืออยู่ในใจเลยจึงทําให้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนอย่างพวกเราถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ เราก็ยังจะต้องทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเป็นเหมือนน้ำมันที่รถยนต์จะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ใจของเราถ้ายังมีความอยากอยู่ยังไม่ได้ตัดความอยาก ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เวลาตายไปความอย่างนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันที่จะผลับดันให้ใจของเรากลับมาเกิดใหม่จะกลับมาเกิดสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับบาหรือบุญที่เราทํากันในแต่ละวันนี้ถ้าเรามีบุญมากกว่าบาเราก็จะได้กลับมารับผลบุญ ไปเกิดเป็นสวัไปเกิดบนสวรรค์ก่อนแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญเราก็จะต้องไปใช้บาปในอบายก่อนไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างก่อนที่จะกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ดังนั้นไม่ว่าจะไปเกิดแบบไหนก็ตามก็ยังต้องกลับมาแก่ มาเกิดเป็นมนุษย์มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่จนกว่าเราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วน้อมเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปจะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรามีอยู่ในใจนี้จะหยุดความอยากต่างๆได้เช่นวันนี้ถ้าญาติโยนําเอา ธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญอยู่เรื่อยๆกลับไปเจริญกลับไปคิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ้าจากสิ่งต่างๆไปไม่นานใจก็จะมีกำลังที่จะปล่อยวางที่จะไม่ยึดติดจะยินดีที่จะให้เกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตาย เกิดการพัดพากจากกันเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้นั่นเองไม่มีใครห้ามได้แม้แต่พระพุทธเจ้าที่ทรงพระคุณอันประเสริฐที่มีอิทธิฤทธิ์มีความสามารถต่างๆอย่างมากมายก็ยังไม่สามารถยุติความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เลยแต่สิ่งที่พระองค์ทรงยุติได้ก็คือความอยาก ที่สร้างความทุกข์ในพระทยของพระองค์นี้นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถยุติได้คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากพอเราไม่มีความอยากเราจะไม่มีความทุกข์ใจเลยเวลาแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาตายก็ไม่ทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พวกเราสามารถที่จะมอบให้กับพวกเรากันได้ ก็คือหยุดความอยากด้วยการศึกษาด้วยการน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆอย่าให้ลืมความจริงอันนี้รับรองได้ว่าถ้ามันอยู่ในใจเราแล้วความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้จะไม่มีขึ้นมาในใจเลยแล้วพอไม่มีความอยากเหล่านี้ ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายอยู่อย่างสบายตามเวลาของมันอยู่ได้ก็อยู่ไปเมื่อหมดเวลาก็พร้อมที่จะไป อยู่กับไปนี้เท่ากันเวลาอยู่ก็อยู่ไม่คิดอยากจะไปเวลาไปก็ไม่คิดอยากจะอยู่ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะไม่มีความทุกข์ใจถ้าเวลาอยู่แล้วอยากจะตายนี่ก็เป็นความทุกข์ใจเป็นความอยากอีกแบบหนึ่งก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาจะตายแล้วไม่อยากจะตายอยากจะอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นความทุกข์ใจเช่นเดียวกันต้อง ต้องอยากตามความจริงเวลาอยู่ก็อยากอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นอะไรเวลาตายก็อยากตายอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะจะได้สมหวังดังที่ต้องการนั่นเองเวลาอยากจะอยู่เวลาอยู่ก็ได้อยู่ก็สมหวังก็ไม่ทุกข์ใจเวลาจะตายก็อยากจะตายก็ไม่เสียก็ก็ไม่ทุกข์ใจเพราะสมหวังเช่นเดียวกันข้อปัญหาของเราจึงอยู่ที่ความอยาก ที่มันฝืนความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนความจริงเราเป็นอะไรเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นผู้ชายก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ชายอย่าไปอยากเป็นผู้หญิงมันจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาอยากเป็นผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายก็จะทุกข์ขึ้นมาเป็นคนจนอยากจะรวยก็จะทุกข์ขึ้นมาเป็นคนรวยอยากจะจนก็จะทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตามที่เราเป็นอย่าไปอยากเป็นอย่างอื่นแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์เพราะนี่คือกฎของอริยสัจสี่เป็นอย่างนั้นทุกข์เกิดจากความอยากความดับของทุกข์เกิดจากการไม่อยากนี้เองนี่แหละคือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้พวกเราทั้งหลายนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจึงขอให้ท่านนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใยและบุญกุศล